การปฏิบัติจเจริญภาวนาก็เหมือนกันจะเรียนมาอย่างไรศึกษามาอย่างไรอย่าลืมพระพุทธเจ้าก็แล้วกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนหลักไว้อย่างไรเราจะมาจากสำนักไหนสำนักไหนไม่สำคัญนะสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนการภาวนาอย่างไร ส่วนวิธีการแต่ละสำนักที่สอนกันนั้นมันก็จะต้องเข้ากับสติปัฏฐานมันก็จะได้กับวิชาพระพุทธเจ้าทั้งหมดพุทธเจ้าสอนว่าสมาถิงภิกขเวภาเวตะพิสุตทั้งหลายจงเจริญสมาธิกันเถิดสุ ส, สัมมาหิโตยถาภูตังปะชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงอะไร รูปัสสะสมุทยัญจะอังขมันจะรู้ความเป็นจริงเรื่องว่าคือการเกิดขึ้นและความดับไปแห่งรูปเวทนายะสมุดยัญจะอถังขมัญจะรู้ความเกิดขึ้นความดับไปของเวทนาสัญญายะสมุทยัญจะอัทงขมัญจะรู้ความเกิดความดับของสัญญาสังฆาเรสุสมุดยัญจะ อสังฆารสมุตตยันจะอัถังกมัญจะรู้ความเกิดและความดับของสังขารสังฆ่ารานังสมุตตยันจะอัถังกมัญจะรู้ความเกิดและความดับของสังขารวิญญาณัสสะสมุตตยันจะอัถังกมันจะรู้ความเกิดและความดับของวิญญาณเรียกว่ารู้ความเกิดขึ้นและความดับไปของขันห้านี่ เ่ได้ว่ารู้ตามความเป็นจริงรู้ไปที่ไหนที่ไหนก็ช่างสุดท้ายมันจะต้องรู้ถึงการเกิดการดับของสภาวะทั้งหมดนี่เป็นหลักส่วนเราจ ะ, จะเจริญ อ, อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่ให้ใช้ฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรม เวลาพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนฐานกายก่อนเพราะมันมองเห็นง่ายและเห็นฐานใดฐานหนึ่งมันก็จะเห็นหมดทุกฐานเมื่อจิตสติที่ตั้งอยู่ที่ฐานใดฐานหนึ่งไม่ว่าฐานกายฐานเวทนาฐานจิตหรือฐานธรรมเมื่อสตินั้นตั้งมีกำลังเพียงพอแก่อะไรก็เป็นอย่างนั้น ในฐานของกายทั้งหมดที่เป็นกายพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ลมหายใจลมหายใจเป็นกายอย่างหนึง่งเอาลมหายใจมาเป็นฐานให้จิตรู้ลมหายใจ ลมหายใจจึงเป็นที่ตั้งของสติสติที่ตั้งที่ลมหายใจนี่เรียกว่าสติปทานถ้ามตั้งอยู่ที่ลมหายใจได้ต่อเนื่องนานๆบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ากำลังของสติจะเพิ่มขึ้นภูมิจิตก็จะเปลี่ยนแปลงธรรมะเยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นตามกำลังของสติ ี่ในการทำอนามปาณาสติรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าเพียงเท่านี้ก็ส่งผลตามธรรมชาติอัศจรรย์เยอะแยะมากมายผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ด้วยตนเองไม่ต้องสาธยายพันนาอะไรให้มันเยอะมากมายไป แค่อ ร, รูลมหายใจไลลออกรูลมหายใจไหลเข้าให้ต่อเนื่องนานๆบ่อยๆโดยที่ไม่ไปล็อกหรือสร้างเป้าไว้วให้กับความหวังลมลมแรงๆอะไรจิตมีความรู้สึกไม่ใช่อยู่กับความคิดนึกมีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจที่เป็นจริงในขณะที่เป็นปัจจุบันในขณะที่มันไลลออกในขณะที่มันไหลเข้า ลมหายใจเริ่มต้นในการไหลออกอย่างไรจิตก็เริ่มรู้สึกตามความเป็นจริงที่มันไหลออกไปจนสุดลมหายใจไหลออกนี่เรียกว่ารู้สึกแต่ลมหายใจยังไม่ทันไหลเลยหรือไหลออกไปแล้วแต่จิตยังรู้สึกอยู่อันนั้นเรียกว่านึกนึกจึงไม่ใช่รู้สึกนึกจึงเป็นอดีตกับอนาคตแต่รู้สึกน่นนะเป็นปัจจุบัน ลมหายใจไหลออกไปแล้วจิตมันนึกถึงลมหายใจที่ไหลออกไปแล้วนั่นเรียกว่านึกลมหายใจที่ยังไม่ออกแต่จิตไปรู้สึกกับลมหายใจที่ยังไม่ไหลออกนั่นเรียกว่านึกแต่ลมหายใจลมใดที่ขณะที่เขากําลังไหลไหลไหลไลไหแล้วจิตไปรู้สึกกับลมที่กําลังไหลอยู่ในขณะนั้นเรียกว่ารู้สึกรู้สึกจึงไม่ใช่นึกนึกมันเป็นอดีตกับอนาคตแต่รู solo, anger, ้ส oh ึกนมันเป็นปัจ <evening> จ <repeat strongly elle> <gado> ุบัน พร้อมแล้วคนที่ไม่เคยฝึกวนก็ทำตามลำดับส่วนคนที่ผ่านมาหลายครั้งแล้วก็เข้าสมาธิได้เลยก็จะย้อนให้กับผู้ใหม่ได้ฟังว่าการอนาปานาสติไม่ต้องพูดไม่ต้องไม่ต้องเชื่อตามที่อาตมาสอนแต่ให้เข้าใจว่าสิ่งที่พูดสอนนี้ เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนในขั้นเตรียมการทําอานาปานสติเนี่ยคือหนึ่งเรื่องสถานที่บัดนี้เราก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วสถานที่เราก็นั่งอยู่บนอาสนะเรียบร้อยแล้วนั่งคู่บาลังก็คือนั่งม้วนขาถ้านั่งพื้นนะนั่งม้วนขาถ้านั่งเก้าอี้ก็นั่งวางเท้า ให้มันราบกับพื้นแล้วก็สํารวจดูไว้ดีอนอกจากนั่งกูบัลลังก์เสร็จแล้วก็ตั้งกายให้ตรงไม่ว่าเราจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งพื้นแหละทีนี้ให้ตั้งกายให้ตรงเก็บมือให้เรียบร้อยให้เก็บมือนี่คำหมายความว่าเอามือขวาท้อนกับมือซ้ายตามหลักปฏิบัติเพื่อเราออกจากนี่ไปไปปฏิบัติที่สํานักอื่นเขาก็นิยมเรื่องก่อนการเอามือขวาท้อนมือซ้าย เขาดยมอย่างนั้นเราก็ทอนไว้หรือเราถนัดอย่างไรระวางมืออย่างนั้นได้แต่มือที่เราไหวนั้นเรียกว่าเก็บมือไหวเก็บแล้วนิ่งนะเก็บแล้วทิ้งนะเก็บแล้วทิ้งไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นการเอามาซ้อนกันเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องเรื่องง่ายที่สุดนั่งคู่บาลังตั้งกายให้ตรงเก็บมือเรียบร้อยตั้งกายให้ตรงในเพื่อเรียกความรู้สึกตัวกลับคืนมา ลักษณะที่ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แต่พอเราตั้งกายให้ตรงปับจิตไอความรู้สึกตัวของจิตก็จะเกิดขึ้นมันก็จะกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันพร้อมที่จะทาเรื่องต่อไปได้ท่า น, นต่อไปท่านบอกว่าให้ดารงสติอยู่เฉพาะหน้ารู้สึกอยู่ที่ใบหน้าของตัวเองไม่ต้องไปรู้สึกที่อื่นใบหน้าของเรามีหน้าผาพ แก้มซ้ายแก้มขวาคางเหนือคางเป็นปากเหนือปากเป็นจมูกเหนือจมูกเป็นตาสองข้างเหนือตาสองข้างก็เป็นคิ้วเนี่ยบริเวณเหล่านี้ให้จิตมันไปรู้สึกไปรู้สึกที่หน้าปากรู้สึกที่แก้มซ้ายแก้มขวาที่คางที่ปากรู้สึกทั่วเฉพาะใบหน้าแบบนี้แหละที่เรียกว่ารู้สึกเฉพาะหน้าไม่ไปที่ไหนไม่ไปที่อื่นไม่ไปที่ใกล้ไม่ไปที่ไกลรู้สึกอยู่เฉพาะหน้าเมื่อเรียบร้อยอย่างนี้ ก็ยกเข้าไปที่ลมหายใจลมหายใจเนี่ยเขาเดินตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วปกติแม้ว่าเราไม่ไปรู้สึกกับลมหายใจลมหายใจเรามันก็เดินก อ, อกเดินเข้าเดินออกเดินเข้าอยู่แล้วแต่ให้เรารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกก่อนวิธีรู้สึกที่ชัดเจนก็คือหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้แล้วตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออก แล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลออกนั้นความรู้สึกที่รู้สึกในขณะนั้นแหละเป็นความรู้สึกจริงๆเป็นปัจจุบันเพราะลมหายใจเป็นปัจจุบันอาการจิตที่รู้สึกขณะนั้นอ่ะเป็นปัจจุบันธรรมมันเกาะกันอยู่อย่างนี้หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าๆพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้น และการรู้สึกไม่ต้องวิ่งรู้สึกไม่วิ่งตามคามไม่วิ่งตามลมหายใจเพื่อที่จะรู้สึกถ้าเราวิ่งตามลมหายใจเพื่อที่จะรู้สึกมันจะหลุดออกไปเป็นนึกพอหลุดออกไปเป็นนึกมันก็เป็นอดีตเป็นอนาคตไปมันไม่เป็นปัจจุบันเฝ้านิ่งๆอยู่ที่ช่องจมูกของเราหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมที่ไหลออกนั้น ลมหายใจไอที่ที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นเป็นเหมือนกับป้อมยามของหมู่บ้านจิต ท, ที่รู้สึกขณะนั้นก็เป็นเสมือนกับรอปพอที่อยู่ในป้อมยามลมหายใจที่วิ่งออกวิ่งเข้าอยู่ก็เหมือนกับรถที่วิ่งเข้า ว, วิ่งออกอยู่ในหมู่บ้านรอปพอมันก็นั่งอยู่ในป้อมยามไม่ต้องวิ่งตามรถเข้าไปพอรถเข้าก็วิ่งตามเข้าไปพอรถออกวิ่งออกก็มาเลยไม่รู้อะไรเลย เพราะฉะนั้นเฝ้าอยู่ที่ช่องจมูกของตนเองหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกตลมหายใจนั้นเนี่ยจิตที่รู้สึกเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็รู้ลมหายใจไหลออกเสร็จแล้วก็รู้ลมหายใจที่ไหลเข้า รู้อยู่อย่างนั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติปฏิบัติอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปในขณะที่รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้ารลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าเราก็ ใส่ตัวรู้ใช้ความรู้ในลมหายใจให้มันเข้มข้นเรียกว่าศึกษาแยกแยๆเข้าไปในเนื้อลมหายใจว่าลมหายใจของเราที่ไหลออกมาเป็นอย่างไรอเพื่อให้จิตมันชัดเจนต่อลมหายใจนั้นจิตรู้ก็จะมีลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันอํานาจของกิเลสที่มันหมักหมม ยึดครองพื้นที่ใจของเรามันก็จะให้เกิดสภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นผู้เจริญสติจะต้องศึกษาให้มั่นว่าสภาพทำใดก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่นั้น สภาพธรรมเหล่านั้นล้วนมีการเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นการดับไปเป็นที่สุดมีเพียงแค่การเกิดและการดับเท่านั้นเราจะไม่ใส่ใจสำคัญโดยความว่ามันเป็นสิ่งนั้นไม่ใส่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่สำคัญว่ามันเป็นอย่างนั้น ไม่ใส่ใจไม่สําคัญไม่ถือเป็นสาระเพียงแค่เห็นว่ามันเกิดขึ้นพอมันดับไปก็เพียงแค่เห็นว่ามันดับไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรบางครั้งมันก็เกิดเป็นทั้งขานคือความคิดปรุงแต่งขึ้นมาจากการที่จิตของเรามันหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นตัวปรุงแต่งของเป็นเป็นธาตุของโบหะความหลงไปในเรื่องราวต่างๆ แต่ตอนนี้เราแค่มารู้ลมหายใจจิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่จิตที่รู้ลมหายใจมันจึงไม่มีการปรุงแต่งอะไรแต่อำนาจความปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติของกิเลสที่มีอยู่กับเราหลายพบหลายชาติแล้วพอเราหยุดการปรุงแต่งเราไปรู้ลมหายใจไอความปรุงแต่งที่มันเคยเป็นอยู่กับชีวิตของเราเป็นจิตใจเดียวกว่ามันลึกเข้าไปมากมัดเข้าไปมากเป็นอนุัยละเอียดอ่อนนอนเอื้องอยู่ในใจของเรา มันก็จะปรุงแต่งให้โผล่ออกมาเป็นรูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เรารู้ลมหายใจบางครั้งในขณะที่เรารู้ลมหายใจมันก็ปุ๊บขึ้นมาเป็นความคิดจิตกระโดดออกไปคิดเรื่องอะไรบางอย่างแล้วก็ปรุงแต่งไปเราก็เพียงแค่รู้ว่าจิตของเราหลุดออกจากลมหายใจมีความคิดเกิดขึ้นแค่ก็รู้ว่าความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วก็ พอความคิดนั้นดับไปก็รู้ว่ามันดับไปแล้วก็ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจอย่างเดิมสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีอะไรแตกต่างมันไม่มีอะไรดีอะไรไม่ดีมันไม่มีอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญมันเป็นเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นเพียงแค่เขาเกิดขึ้นแล้วก็เห็นเขาดับไปเท่านั้นแล้วก็ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจทําอยู่เช่นนี้อืมทําอยู่เช่นนี้ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ ถ้าเกิดความรู้สึกวังง่วงอย่าลืมแก้ด้วยการตั้งกายให้ตรงอย่าไปหงุดหงิดว่าทำไมเราต้องตั้งกายให้ตรงบ่อยๆการตั้งกายให้ตรงนั่นเป็นการเริ่มต้นความเพียรความเพียรให้เริ่มต้นบ่อยๆได้ถ้ารู้สึกว่ามันซึมมันหดหูมันจะเคลิมก็หยุดตั้งกายให้ตรงพราะความรู้สึกตัวอย่างแรงกลับขึ้นมาก็รูลมหายใจ พอมันเคลื่อก็ตั้งกายให้ตรงความรู้สึก ต, ต, ตัวกลับมาก็รู้ลมหายใจพอมันเคลื่อก็ตั้งกายให้ตรงรู้ลมหายใจทำอย่างนี้ต้องกล้าพอที่จะทาอย่างนี้ด้วยนะต้องกล้าพอที่จะตั้งกายให้ตรงต้องกล้าพอที่จะยกจิตออกจากความเคลื่อให้ได้ไม่จะเคลื่อไปรู้ลมหายใจไปเคลื่มไปรู้ลมหายใจไปอ้อย่างนั้นมันจะทำให้การ สันดานของการภาวนาของเราไม่ดีถ้ามันมีความเคลิมรู้ว่ารู้ตัวอยู่ว่าสติกำลังอ่อนลงไปเรื่อยๆเนี่ยให้ตั้งกายให้ตรงความรู้สึกตัวกลับมาแล้วก็รู้ลมหายใจนี่เรียกว่าเริ่มตั้งความเปลี่ยนอย่างนี้ให้ทําบ่อยๆได้ทําทุกขณะที่มันเกิดความเคลิ้มขึ้นมา ผมมันเกิดความเคลื้มอย่ายอมตามมันพอรู้สึกตัวว่ามีความเคลิ้มเกิดขึ้นให้ตั้งกายให้ตรงทันทีไม่ต้องห่วงว่ามันเริ่มต้นใหม่แล้สติมันจะต่อเนื่องไหมสมาธิมันจะต่อเนื่องไหมไม่ต้องห่วงกังวลอย่างนั้นแค่เริ่มรู้ตั้งกายให้ตรงแล้วก็รู้ลมหายใจแค่นั้น จิตรู้รู้ลมหายใจเรารู้สึกว่ามีกำลังเบาลงก็ให้ศึกษาในเนื้อลมหายใจให้ละเอียดลงไปในขณะที่เรารู้ลมหายใจไล่ออก เดี๋ยวอยู่ๆจิตมันรู้นิ่งลมหายใจมันหายลมหายใจเข้าไม่มีก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรมันเป็นปกติเมื่อจิตรู้รู้ลมหายใจจิตเดิมเข้าสู่ความนิ่งมันก็รู้ละเอียดขึ้นจังหวะที่ลมหายใจมันหยุด ยังไม่หายใจเข้าอย่าไปตกใจว่าลมหายใจหายเพียงแค่มันยังไม่เข้าไปเราก็รู้อยู่กับความนิ่งพอลมหายใจเข้าเรื่องเพื่อนเข้ามาเราก็รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไป ก็ไปยกจิตรู้ออกจากลมหายใจเดิมารู้ที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกแล้ค่อยๆเคลื่อนมือขวาช้าๆวางไว้ที่เข่าด้านขวาจากนั้นยกจิตมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึก ในจิตรู้สึกแล้วค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายช้าๆด้วยจิตรู้สึกวางไว้ที่ข่อข้างท้ายจากยังจากนั้นยกจิตมาสู่ใบหน้ารู้เฉพาะหน้าก่อนแล้วผาหุกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิขณะนี้จิตออกจากลมหายใจแล้วเรายังรู้สึกมีความนิ่ง กาพันกระจิตมีอุเบกขามีความวางเฉยอยู่การให้จิตเกาะอยู่อยู่กับอารมณ์อันเดียว <c oughs> ออกจากสมาธิแล้วก็เปลี่ยนท่า น, นั่งบริหารกายให้เกิทดทรปายะขึ้นมาในขณะที่เรารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าทุกทุกรู้ที่รู้ลมหายใจรู้นั้นแหละมาเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ งจิตเพราะในรู้ไม่มีตันหาอุปาทานไม่มีมานะตันหาทิฏฐิมันเป็นรู้ที่รู้ซื่อๆรู้ตรงเข้าไปสู่อารมณ์เป็นปัจจุบันมาเป็นความรู้สึกชัดๆมาเป็นปัจจุบันไม่มีการปรุงแต่งใดๆ พอจิตมีการปรุงแต่งนั่นมันหลุดออกจากลมหายใจแล้วหรือแม้มันรู้ลมหายใจอยู่มันเสมือนรู้ลมหายใจแต่มันเป็นการปรุงแต่งให้เกิดการรู้เรียกว่านึกรู้ให้จิตมีความรู้อันบริสุทธิ์ต่อฐานที่ตั้งของสติอันใดอันหนึ่งอย่างนี้มันจะสร้างประสบการณ์ให้กับจิตบ่อยขึ้น ิก็จะเกิดการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงภูมิจิตจะเปลี่ยนแปลงขึ้นไปแน่นอน